ต่อจากนี้ไปท่านจะได้ฟังธรรมะเรื่องไม่มีสภาวะห้าไม่ใช่นักปฏิบัติธรรมโดยสมณะทราบซึ้งสิริเตโชได้แสดงธรรมไว้เมื่อวันที่ส0สิบพฤษภาคม2547นเจณพุทธสถานสันติอโศกขอเชิญท่านรับฟังได้ณนะบัดนี้ วันนี้มีเขียนไว้ที่กระดานด้วยเพราะมันมีหลายข้อคือวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องของคนเราเนี่ยเวลาเรามาถือศีลหรือเรามาปฏิบัติธรรมซึ่งจะมีสองพวกใหญ่ๆนะคือพวกหนึ่งเนี่ยจะเป็นพวกที่มีกิเลสมาก อีกพวกหนึ่งเนี่ยปฏิบัติมาได้ขนาดหนึ่งแล้วกิเลสก็จะเบาลงมาแล้วน่าจะมีจะมีอยู่สองพวกใหญ่ใหญ่ตอนนี้พวกที่มีกิเลสมากอะ่ะนะโดยโดยจริงๆทุกคนอะ่ะถ้าใครยังไม่ปฏิบัติทําได้ดีถ้ามาปฏิบัติใหม่ๆหรือพูดง่ายๆว่าไม่ได้มีบารมีเก่าอะไรสะสมมาเลยนะเรามาปฏิบัติใหม่ๆเนี่ย เหมือนกันทุกคนคือจะมีกิเลสมากหรือถ้าพูดกันไปก็คือกิเลสหนาเพราะฉะนั้นคนที่มีกิเลสหนาเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามนะราคะโทสะโมหะเรื่องอะไรก็แล้วแต่ถ้าถ้าพูดแบบชาวบ้านน่ยจะเป็นเรื่องกามจะเป็นเรื่องความโกรธจะเป็นเรื่องความถือสาจะเป็นเรื่องอะไรอะ การทำงานจะเป็นเรื่องอะไรที่เราเจอเจอเนี่ยแหละแล้วเรารู้เลยว่าโอ้โหทำไมเรายังเนี่ยรักง่ายโกรธง่ายหรือว่าเอาเรื่องเอาราวกับคนนะแข่งขันเอารัดเอาเปียะไปทำไมมันจิตความโลภจิตอะไรพวกเนี้เอ๊ะทำไมมันเยอะจังหมายถึงบ่ากีเลยมันมา ก, ก น, นะซึ่งใหม่ๆอ่ะคนเราก็จะมีอย่างนี้เหมือนกันทั้งนั้นนหะทุกคนแหละ ไม่แตกต่างกันเลยแต่ตอนนี้ความสำคัญคือมันมีแล้วเนี่ยแล้วเราก็มีสัมมาทิฏฐิขึ้นมาคือเราได้รับเราได้รับ อ, อ, อะไรอะได้รับธรรมะหรือว่าได้ไปศึกษาธรรมหรือว่าได้ไปเข้าใจอะไรเข้ามาแหละในทางที่เป็นสัมมาทิฏฐิเนี่ยในทางที่ถูกต้องขึ้นมาเราก็อยากจะมาทาดี หรือเราอยากจะมาเอาสิ่งดีๆให้เกิดขึ้นกับตัวเราเองพออันนี้เกิดขึ้นใช่ไหมมันก็จะเกิดการปฏิบททัติธรรมแต่ตอนนี้เรายังมีกิเลสอยู่เยอะซึ่งกิเลสอยู่เยอะเนี่ยจะปฏิบัติแล้วให้มันแบบว่าให้มันได้บรรลุธรรมเนี่ยหมายถึงว่าทำให้กิเลสที่เรามีเนี่ยมันลดลงไปได้อย่างเยอะแยะหรือว่าอย่างรวดเร็ว โอ้โหมันคงไม่ง่ายแน่น่วันส่วนใหญ่โดยทั่วไปปฏิบัติเบื้องต้นเนี่ยก็ถ้าคลายกิเลสมากเนี่ยสิ่งที่มันเรียกร้องจากตัวเราอะ่ะกิเลสเนี่ยมันก็จะห่ม้าควรมันจะลถ้าเราไปสู้กับมันเน่เราไปฝืนใจเราไปอะไรอะต่อสู้เราไปพยายามจัดการกำจัดมันอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหมันก็ต้องอุตลุดเลยอะ่ะต้องฝืนทนต้องข่มกันอย่างสุดฤทธิ์สุดเดชเลยล่ละซึ่งอันนั้นน่ะส่วนใหญ่คุณว่ามันค่อนข้างสุขหรือว่าทุกข์อ่ะฮะคุณคุณว่ามันค่อนข้างสุขหรือว่าทุกข์ทุกข์แน่นอนเพราะโดยทั่วไปธรรมดาของคนที่มีกิเลสหนาอยู่เรื่องอะไรก็แล้วแต่นะบอกแล้วนะ อันนี้ตัวใครตัวมันนะนึกดูนะของใครก็ของคนนั้นซึ่งจะไม่เหมือนกันแหลกที น, นี้เราดูเอาเองว่าของเรานี่เรื่องอะไรเรื่องไหนที่เรากิเลสหนาะพูดง่างรเรื่องไหนที่เรากิเลสหนาะเรื่องนั้นนะ่ะแน่นอนก็ต้องสู้ด้วยความโอ้โหทรมานทรกรร ม, มากเลยคือทุกข์มากไม่มีหรอกว่าคุณจะสู้แบบง่ายๆสบายๆไม่มีมันสู้เนี่ยเรียกว่าต้องโอ้ ต้องใช้พลังหรือว่าต้องใช้กําลังอย่างมากเลยนะพระเจ้าเนี่ยท่านตรัสเอาไว้มีอยู่ห้าข้อที่เวลาเนี่ยเราสู้กับทุกข์เพกิเลสของเราที่มันหนาๆพวกเนี้ยนะห้าข้อก็คือนะที่เขียนเอาไว้บนกระดานนะความเชื่อมั่นความเชื่อมั่นจริงๆห้าข้อเนี้ยก็ถ้าถ้า ภาษาพระทั่วไปท่านก็นใช้ว่าอินรี่ห้านั่นเองอินรียห้าหรือพระห้าหมายถึงว่าเป็นโอ้โหเป็นกําลังเป็นอะไรอ่ะการทุ่มเทอ่ะที่เราจะต้องใช้เพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสเรื่องไหนเนี่ยที่เราแบบโอ้โหมันทุกทรมานเรามากเหลือเกินคุณจะต้องทุ่มเทห้าข้อนี้ห้าอย่างเนี้ข้อที่หนึ่งเนี่ย นะศรัทธาหรือความเชื่อมั่นนี่อจะมาใช้แบบภาษาง่ายๆทั่วๆไปคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นเนี่ยต้องอย่างมากๆเลยนะถ้าความเชื่อมั่นของคุณว่าเออถ้าปฏิบัติอย่างเนี้ยแล้วจะพาให้เราไปพ้นทุกได้ถ้าความเชื่อมั่นคุณเนี่ยเหมือนกับอะไรอะ่ะเอาสำนวนแต่ก่อนเราใช้คำว่า เอาไม้หลักไปปักขี่เลนมันเอ็นง่ายมันล้มง่ายพอกิเลสเรื่องนั้นขึ้นมานะถ้าถ้าคุณเป็นไม้หลักปักขี่เลนเนี่เดี๋ยวมันก็เอา้าวแล้วละโดนลมข้อหน่อยก็ลมมาจากทิศไหนอะ่ะก็จะเอียงไปนะลมพัดมา ก, ก็เอาเอียงไปจะมาจากทิศไหนก็แล้วแต่โดยเฉพาะลมปากลมปากคนเราเนี่ยโหร้ายกว่าลมพายุ ทอร์นาโดพายุหมุนอะไรอีกนะเพราะว่าทําให้เราเนี่ยเอนไปข้างนี้ก็ได้เองไปขางโน้มก็ได้เอนโดยเฉพาะถ้ากิเลสเรามีอยู่แล้วเนี่ยมันจะเอนไปทางไอ้ที่เราชอบชอบะตามใจกิเลสเรามันจะวันไหวมันจะแบบว่ามันไอความเชื่อมั่นที่เรามีเนี่ยบางทีมันจะทิ้งละยิ่งยิ่งเราพยายามสู้หรือเราจัดการกิเลสตัวนั้นของเราใช่ไหม เราติดมานานเน่เราชอบอย่างนี้มานานเราเคยชินอย่างนี้มาตง้งโอ้โหบางทีตั้งแต่เด็กจนกระทั่งโตจนกระทั่งแก่เลยบางคนกว่าจะมาพบธรรมะกว่าจะมาปฏิบัติธรรมบางทีแก่เลี้ยว <c oughs> แก่ไม่ใช่ไม่ใช่แค่แก่แล้วนะแก่เลี้ยวด้วย <c oughs> คือหมายความว่าแก่แล้วแล้วพอกิเลบังขึ้นก็เอาแล้วก็เลี้ยวไปตามกิเลสอีกแล้ว ไปเจอภาษาอะไรก็แล้วแต่จะคนพูดหรือไปเห็นอะไรเข้าแล้วมันก็จะอยากทําตามที่ใจเราอยากแต่พอเราเริ่มมีธรรมะขึ้นมานะตัวแรกเนี่ยถึงบอกว่าอืหต้องเรียกว่าความเชื่อมั่นว่าถ้าเรามาถือศีลเรามาปฏิบัติธรรมแบบนี้แล้วทําให้เราเนี่ยหมดกิเลสตัวนี้ได้แน่นอนทําให้เราเนี่ยอะไรอะ่ะอลดความ อยากลดความชอบลดความติดของเราอะนะถ้าถ้าถ้าเป็นตัวราคะก็ความติดความชอบของเราแต่ถ้าเป็นตัวโทสะก็ลดความเกียจชังโหความแค้นความอาฆาตใครอย่างเงี้ยสามารถลดได้คุณมีความศรัทธาหรือคุณจะต้องมีความเชื่อมั่นในอันนี้ถ้าคุณมีความศรัทธาเนี่ยแรงกล้าเขาเรียกว่าความศรัทธาแรงกล้า ตัวนี้เป็นตัวที่หนึ่งบางครั้งเนี่ยพอสู้ไปเหนื่อยเอย่ะเหนื่อยเนืยเข้าหรือว่าเพียเพีบ้างหรือบางทีบางครั้งสู้แล้วก็ชนะบางครั้งสู้แล้วก็แพ้มันจะเกิดสังเกตไหมมันเกิดท้อใจมันเกิดอ่อนใจขึ้นมาแล้วมันไม่อยากที่จะแบบโอ้ไม่เอาแล้วไม่รู้จะสู้ไปทําไมให้มันยากลําบากอะไรกันนักกันหนาเราทําตามใจเราเนี่ย เราคิดว่าเรามีความสุขกว่าเพราะความเชื่อมั่นอันนี้ถ้ามันลดหย่อนลงมาความเชื่อมั่นนี่มันตกลงมาแล้วคุณจะเริ่มแล้วจิตจะเริ่มสั่นคลอนมันมันจะทิ้งแล้วคี่มันไม่อยากที่จะทำต่อเพราะนั้นถ้าใครเนี่ยจิตเนี่ยไม่มีศรัทธาจริงไม่เข้ากระแสจริงแล้วมันจะไม่เที่ยงจิตของคนนั้นอาจจะไม่เที่ยงยิ่งโดยเฉพาะศรัทธาเนี่ย นะพระคิดคิดว่าน่าจะเป็นพระโมกขาลานะนะที่บอกว่ารับประกันไม่ได้เลยศรัทธาคนเราเนี่ยที่รับประกันไม่ได้เพราะว่าขึ้นขึ้นลงลงเดี๋ยวก็อืหมีกําลังใจขึ้นมาก็ฮึดฮึดน่ะเอาล่ะสู้พอใจเหี่ยวเขาก็แฟบนะกลับบ้านดีกว่าไม่อยากอยู่วัดแล้วไม่อยากมาช่วยงานวัดแล้ว อไม่อยากมาเสียสละแล้วไม่อยากที่จะต้องมาอดทนไม่อยากที่จะต้องมาอะไรอะ่ะทําตัวเราให้มันฝืนใจให้มันลําบากใจเราไปทําไมเนี่ยมันจะล้มพวกนี้ทิ้งเพราะอันแรกเนี่ยศรัทธาเนี่ยพระเจ้าท่านจะใช้นํามาก่อนเลยเพราะฉะนั้นเขาถึงใช้คําว่าเชื่อมั่นคุณต้องเชื่ออย่างมั่นคงนะต้องเชื่อแบบให้แข็งแรงนะนนี่แค่เชื่อนะ นี่แค่แค่ความคิดเองตัวที่หนึ่งนี่ยังไม่ไม่ไม่ได้พูดถึงการลงมือแต่ว่าพูดถึงสภาวะของ จ, จิตใจว่าคุณต้องเชื่อมั่นต้องปักให้มั่นเลยนะไม่ใช่เอาไม้ไปปักที่เลนคุณต้องปักแบบอะไรเลยดินเหนียวนะหรือว่าปักลงบนไอะไรเลยอะไรก้อนหินเลยคุณเจาะลงไปให้ได้แนละ้วปักให้ได้ถ้าคุณปักบนหินได้นะโอ้โห เป็นไงเขาเนี่ยยากแล้วยากที่จะมาแบบว่ามาสั่นคลอนได้ต่อให้คุณเจอทุกเจอความยากเจอความลำบากถ้าศรัทธาคุณมั่นคงนะไม่มีทิ้งแต่มีท้อเพราะว่าอันนี้อยู่ที่อยู่ที่กาลังใจของคนนั้นเพราะนั้นถ้ากําลังใจคนนั้นนะมันหมดความเชื่อมั่นนะในที่สุดเดี๋ยวคุณท้อไปท้อมาคุณถอยแน่นอนคุณจะหนี ประเด็นข้อที่หนึ่งเนี่ยถ้าสมมติมีศรัทธาแรงกล้าคนนั้นสามารถที่จะเอาชนะกิเลสนั้นๆของตัวเองสามารถที่จะถ้าภาษาพาก็เรียกว่าบรรลุธรรมในเรื่องนั้นนะนะสมมติว่าคุณเกิดไปรักใครไปหลงใครสักคนเอาว่ารักหลงเลยเพราะว่าให้มันหนาๆหน่อยให้กิเลสมันหนาหน่อย แล้วตอนเนี้ยคุณมาเข้าใจธรรมะคือมันโอ้โหชัดเลยว่ารักไปแล้วเนี่ยมันมันทุกข์อย่างนี้นะมันจะต้องลําบากอย่างอย่างนั้นนะคุณเข้าใจชัดเลยนะคุณมีกเนี่ยเนี่ยสภาวะจิตคุณเนี่ยคุณเชื่อมั่นเลยว่าโอ้โหอย่างงั้นนี่มันทุกข์กว่าอีกหลายร้อยหลายพันเท่าเลยถ้าสามารถคุณเลิกไปรักคนนี้ได้นะไม่ไปหลงเขาได้นี่คุณจะเป็นสุขกว่านี้ คุณเชื่อมั่นคุณชัดเจนอันนี้เลยเข้าถึงธรรมะเข้าถึงสัจจะข้อนี้ทั้งๆที่ตอนนี้ลักเขาไปแล้วนะคุณลักเขาไปแล้วแต่คุณมารู้คุณมามีสัมมาทิฐิคุณมาเข้าใจรู้แจ้งเห็นจริงอันเนี้ยเกิดขึ้นมาพอมันชัดอันนี้นะคุณเชื่อมั่นเลยคุณลักเขายังไงก็ตามคุณจะแบบว่าโอ้โหเขาเนี่ยคุณจะ ต่อสู้คุณจะพยายามฝืนใจคุณเพราะเอ้ยเราก็ไม่อยากให้ไปทุกข์อย่างนั้นนะเราก็ทุกข์ไปทำให้คนอื่นเขาทุกข์อีกมันจะพยายามฝืนเลยพยายามจะดึงตัวเองอันนี้อันนี้พูดถึงรักหรือแม้แต่เราไปโกรธเราไปแค้นเราไปเกลียดชังใครเขาคุณรู้เลยอันนี้คุณเห็นง่ายกว่าใช่ไหมว่าไอไปแค้นไปเกลียดชังใครเนี่ยโหเราทุกข์มากเลยมันร้อนวูบวาบวูบวาบ แล้วมันก็อยากจะไปแก้แค้มันก็อยากจะไปเล่นงานเขาบางทีนอนแล้วหลับยังกัดฟันกรอดกรอดกรอดแล้วก็จะไปอือคิดอนะคิดในในฝันนะ่ะยังอือฮึน่าจะเล่นงานเขาอย่างนั้นอย่างนี้นเนี่ยคือคือโทสะเนี่ยมันเห็ น, ม, น, หนมันเห็นกิเลส ท, ที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยง่ายกว่าแต่ถ้าคนนี้มีศรัทธาแรงกล้ามีความเชื่อมั่นว่าไอ้อย่างเงี้ยทุกข์จะตายไป เราไม่เกียดชังใครเราไม่โกรธใครเราไม่ต้องไปถือสาอะไรใครเลยโอ้จิตมันจะสบายกว่าเยอะเลยคุณรู้ความจริงอันเนี้ยด้วยตัวคุณเองแม้ว่าคุณจะไปฟังใครพูดมาให้ให้เราได้ยินก็ตามแต่ความชัดเย็นอันนี้เราชัดใจตัวเองมากเลยว่าโอ้สบายกว่าแน่นอนความเชื่อมั่นอันนี้ของคุณว่าสบายกว่าแน่นอนเนี่ยเพราะนั้นจริงๆนะ่ยโแค้นสุดแค้นเลยนะ เกลียดสุดเกลียดเลยนะแต่คุณก็ก็ก็มันเลิกแทนเข้าได้นี่มันสุกกว่านะ <c oughs> คุณชัดตรงเนี้ยยังไงคุณก็ก็พยายามใช่ไหมถึงแม้บางทีมันจะเผลอไปด่าเขามั่งหรือเผลอจะไปเล่นงานเขามั่งแต่พอสภาวัจิตนี้มันขึ้นมาคุณก็เออถ้าตาบใดเราเราเลิกความเกลียดชังอันนี้ไม่ได้เราก็จะต้องจิตเศร้าหมองอยู่อย่างเนี้ยอยู่ตลอดอ่ะเพราะมันชัดตรงเงี้ยเดี๋ยวมันก็ เลือกดีกว่ามันก็จะพยายามลดกิเลสไอตัวตัวไปลักไปหลงหรือไปตัวเกียรติชังหรือเจ้าตัวถือสาเอาชนะคะคารอะไรกับใครเขามันจะลดลงทันทีลดลงเพราะเราเนี่ยพยายามสู้พยายามฝืนวันอันนี้ตัวที่หนึ่งนะความเชื่อมัน่นแต่แค่จิตเราคิดบอกแล้วแค่เชื่อมั่นในทางจิตเราอย่างเดียวเนี่ยนะจิตมีพลังจริงแต่ ยังไม่มากพอเพราะคุณจะสามารถลดกิเลสตัวนี้ได้อย่างรวดเร็วนะแล้วก็ฉับพลันได้ไม่ใช่แค่ความคิดต้องลงมือต้องปฏิบัติ ด, ด้วยนะเพราะฉะนั้นตัวที่สองเนี่ยต้องตามมาต้องมีความขยันต้องมีความเพียรเพราะฉะนั้นถ้าใครเนี่ยนะมีสมาธิฏฐิแล้ว รู้นะรู้ว่ากิเลสตัวนั้นไม่ดีกิเลสตัวนี้ของเราไม่ดีเลยต้องมาเสียใจต้องมากุ้มใจบ่อยๆและบางคนเนี่ยโดยเฉพาะกิเลสตัวนานาหนาๆบอกแล้วนะของเราอะ่ะซึ่งเรารู้ดีกว่าคนอื่นแล้วเราก็พลาดตัวเนี้ยอยู่เรื่อยเลยเพราะฉะนั้นเราจะรู้เลยว่าเราชัดแล้วว่ามันไม่ดีแล้วก็ทําให้เราต้องมาเสียใจเพราะว่าคุณรู้คุณแยกถูกแยกผิดได้ลลยนี่ เพรพอเราไปทําตามกิเลสเราซึ่งไม่ดีเราก็มาทุกทุกทีอะว่าไ อ, ไอตัวเนี้ยมันชัดเจนมันทําให้ถ้าคราวนี้นะคุณไปทําไม่ดีตามใจกิเลสคุณนะคุณก็จะต้องมานั่งทุกทุกทีเหมือนกันไอตอนนั้นมันมันมันอดกั้นไม่ได้มันก็เผลอไปทําไปแล้วแต่ก็ต้องมาเสียใจทุกทีเพราะบอกแล้วคราวนี้คุณจะต้องขยันหมั่นเพียรแหละ บางทีมันไม่สามารถชนะชนะได้ภายในครั้งเดียวบางทีอาจจะต้องสู้ถึง10ครั้งอาจจะต้องสู้ถึงร้อยครั้งอันนี้แล้วแต่ความเก่งของแต่ละคนแล้วก็แล้วแต่ความหนาของกิเลสว่ามันหนาแค่ไหนเรามาเคยเปรียบเหมือนกับสมมติว่าต้นไม้เนี่ยเราเอามีดไปฟันต้นไม้ไอ้ต้นเล็กๆอ่ะต้นเล็กๆคุณฟันฉับเดียวมันก็ขาดได้แต่ถ้าต้นมันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเนี่ย คุณจะฟันฉับเดียวมันจะขาดได้ยังไงมันไม่ขาดหรอกบางทีโอ้โหฟันจนไอ้มือพองไปหมดเลยอ่ะยังไม่ยอมขาดง่ายๆเลยแต่ถ้าคุณอยากจะให้ไอ้ต้นไม้ตอนนี้ต้นนี้คือต้นกิเลสของคุณนะนะแล้วแต่จะเป็นต้นอะไรก็แล้วแต่แต่ไอ้ต้นเนี้ยโอ้โหมันยิ่งใหญ่ยิ่งเนื้ออะไรนะเนื้อแน่นเนี่ยยิ่งยิ่งเป็นไม้เนื้อแข็ง โอ้โหบางทีฟันเข้าไปนี่คมมีดแทบจะ ก, กระดอนกลับออกมาเลยนะเพราะบางคนเนี่ยตั้งตาบาเสร็จโอ้โหสมมติว่าติดเรื่องอาหารการกินตั้งตาบาเสร็จพอเจอของชอบพรนั้นเองอะ่ตะตาบาหายหมดเลยเนี่ยแบบแม้อุตสาเนื้อเงือเง้อเนื้อดาปนะจะฟันต้นไม้พอเห็นต้นไม้เท่านั้นเองอะ่ะมีดหลุดมือเลย <laughs> เพราะฉะนั้นแล้วอันเนี้ย พวกเราจะต้องรู้เลยว่ามันออืต้องมันเพียนมากๆเลยต้องบ่อยๆขยันนี่คุณขยันธรรมดานี่นะคุณก็สู้ได้แต่กิเลส ธ, ธรรมดาแต่ถ้ากิเลสตัวใหญ่อ่ะคุณจะขยันธรรมดาได้ไงอะคุณขยันธรรมดาไม่ได้หรอกถ้ากิเลสตัวเล็กเออคุณขยันเล็กๆน้อยๆก็ได้มันก็ชนะได้แต่เมื่อมันเป็นกิเลสตัวยักษ์อ่ะตัวใหญ่เบื้อเริ่มเทิมมา คุณจะใช้ความขยันแค่นิดเดียวหน่อยหรือว่าแค่ธรรมดาธรรมดาสู้กับกิเลสยักษ์ตัวนี้ไม่มีทางชนะหรอกเพราะนั่นคุณก็ต้องใช้ความขยันที่เป็นยักษ์เป็นมหุมาเป็นมหาศาลที่จะล้มยักษ์ให้ได้แม้ว่าคุณจะเป็นแจ็คอะเป็นอะไรนะเป็นตัวเล็กๆกระตามอะนะคุณตัวนิดเดียวโหยักษ์นี่มันตัตเบเลอร์เลยมันก็ต้องอาศัยความขยันเนี่ย ความเพียรขยันเนี่ยคุณต้องขยันให้มากแม้ว่าตัวเราจะเล็กแต่เราต้องขยันให้มากเพราะฉะนั้นความขยันมากนี่แหละที่จะทําให้เราบรรลุทําได้ไหวหรือเอาชนะกิเลสตัวนั้นได้ไวแต่แค่ความขยันมากยังไม่พอเลยครูเจ้าท่านก็บอกว่าจะต้องมีตัวที่สามมาอีกก็คือจะต้องมีสติมีการหมัน่นระลึกอยู่เสมอเสมอ เพราะส่วนใหญ่เนี่ยกิเลสตัวเก่งๆกิเลสตัวหนาๆของเราเนี่ยนะมาบอกด้วยเลยคุณเจอปั๊บมันมันไปละเรียบร้อยเลยมันเร็วมากเพราะกว่ามันจะเป็นกิเลสตัวหนาของเราได้เนี่ยคุณทํามันไม่รู้กี่กี่ชาติแล้วคุณทํามันไม่รู้กี่ร้อยวันพันปีแล้วอ่ะคุณสะสมมันอ่ะมันถึงได้หนามันถึงได้เยอะขนาดเนี้ย เพราะฉะนั้นบางทีพอเจอปั๊บนะยังเอาคนละเมอเลยอ่ทําไปโดยไม่รู้ตัวเลยกว่าจะมีสติกว่าจะรู้ตัวอีกทีตายเรียบร้อยไปตั้งกี่ชั่วโมงกี่วันเข้าไปแล้วบางทีกว่าจะรู้ตัวได้เหมือนบางคนเนี่ยบางคนปากไวๆเนี่ยด่าคนเก่งเนี่ยแทบไม่ต้องกดปุ่มเลยเดี๋ยวเนี้ยเขาไม่ต้องกดปุ่มเลยเขาใช้ เขาอะไรอ่ะใช้อุณภูมิใช้ใช้อะไรเนี่ยเรียกว่ามันมันไม่ต้องสัมผัสแหละใช้แค่อุณหภูมิใช้แค่อะไรพวกนี้นี่มันเดินเครื่องได้เลยเอา่าอุณภูมิแค่เปลี่ยนแปลงแค้มันเดินเครื่องได้ละเหมือนกันเลยไอ้กิเลสตัวหน้าหนาของของเราเนี่ยเราจะเผลอสติหรือเราจะขาดสติสติเนี่ยหรือสตินซีเนี่ยสติตัวเนี้ย นะหรือการมันละลึกเนี่ยกมันคอยรู้ตัวเราเนี่ยเฮ้ยอย่าลืมนะอย่าลืมนะไอ้นี่ไอ้นี่กิเลสเรากิเลสหนาเลยนะตัวเนี้ยของเราเนี่ยเพราะมันจะลืมอยู่เรื่อยเลยสายโทสะก็จะลืมอยู่เรื่อยพอเจออะไรไม่ถูกใจไม่ชอบใจปั๊บทันทีเลยไปละจิตเราเนี่ยก่อนเลยมันจะคิดไม่ดีคิดเลวร้วายกับคนนั้นไปก่อนทันทีเลยไวมากส่วนสายกาม แม้พอจะโอ้ยคนนี้ก็ชอบคนนี้ก็ชอบคนนี้ก็ชอบคนนี้ก็ชอบวัวมากแล้วแต่ว่าใครสะสมกิเลสตัวไหนเออมันทันทีเลยนะมันมันมันคิดขึ้นมาก่อนเลยก่อนไ อ, ไ, อไอ่อย่างอื่นเลยมันไวจริงๆอ่ะมานถึงบอกถ้าคุณไม่มีสติคุณไม่คอยรู้ตัวเนี่ยคุณคิดดูสิทุกครั้งเลยลืมตัวอีกแล้วทาไปอย่างเก่าทําไปอย่างเก่าทําไปอย่างเก่าแล้วอย่างเงี้ยเมื่ อ, อไหร่คุณจะ ใช้ความเพียรคุณจะไปใช้ความเชื่อมั่นเน่ยบางทีโอ้โหมันมันไม่ไหวอะ่ะเพราะเราเล่นลืมตัวอยู่เรื่อยแม้ว่าคุณจะเชื่อมั่นแม้คุณจะขยนันแต่คุณลืมตัวอยู่เรื่อยเลยเขาถึงบางทีบางคนเนี่ยเขาเบื่อเขาเบื่ออะไรเขาเบื่อไม่ต้องมาขอโทษแล้วเขาบอกขอโทษบ่อยเหลือเกิน <c oughs> บางคนเขาเบื่อเล้วาบอกพอแล้วไม่ต้องมาขอโทษหรอกอืม เพราะอะไรกว่าเราจะรู้ตัวเนี่ยเราเราหลุดกิเลสเราออกไปอีกและแล้วเราก็รู้ไงบอกแล้วพอเรามาศึกษาธรรมะเนี่ยมาปฏิบัติธรรมเดี๋ยวก็ต้องรู้ตัวจนได้อะว่าโอโหเราผ่าปีกแล้วแล้วเราทําไปตามความเคยชินของเราอีกแล้วปล่อยกิเลสไอตัวที่เราติดนิสยัยนิสัยไม่ดีเนี่ยนิสัยเสียตัวเนี้ยไปอยู่เรื่อยเลยแล้วก็ต้องไปขอโทษคนนั้นไปขอโทษคนนี้อยู่บ่อยๆอย่างเงี้แสดงว่าเรา เขาเรียกว่าสติอ่อนเนี่ยถ้าสติอ่อนเนี่ยนะคุณบรรลุทมช้าหรือคุณจะแก้กิเลสเรื่องนั้นของคุณได้ช้าเพราะสติคุณอ่อนการรู้ตัวของคุณเนี่ยมันช้าเกินไปเมื่อมันช้าเกินไปเนี่ยเราก็ทำผิดไปอีกละทำพลาดไปอีกละเพราะนันอันนี้จะต้องมันระลึก คำว่ามาแล้วลึกก็คือคอยเตือนตัวเองบ่อยๆเตือนตัวเองเรื่อยๆตื่นเช้ามาก็บางทีก็เอาเลยเฮ้ยเนี่ยกิเลสตัวเนี้ยของเรานะเนี่ยเนี่ยวันเนี้ยวันเนี้ยกิเลสตัวเนี้ยเราโอ้โหช่วงนี้หนามากเลยตัวนี้ตื่นเช้ามาก็เตือนเลยพอลืมตาปับ๊บมีสติตื่นมาตือนเลยบอกโอ้กิเลสตัวนี้เราต้องระวังให้ดีเช้านี้จะไปตื่นจะไปทําอะไรต้องคอยระวังตัวนี้ไว้ เนี่ยแล้วก็คอยเตือนตัวเองเนี่ยนเนี่ยคือการหมั่นระ ล, ลึกถึงหรือถือใช้ภาษาง่ายๆก็คือหมั่นเตือนตัวเองอันนี้ต้องเตือนตัวเองบ่อยๆนะแล้วกร็รู้รู้สึกตัวเมื่อไหร่ว่าเร า, าพลาดไปแล้วเขาเอาตมาบอกแล้วนะว่าบางทีเนี่ยมันไม่เก่งจริงๆอะ่ะแล้วมันรู้ตัวช้ามากๆเลยเพราะารู้เมื่อไหร่เนี่ยก็ต้องรีบทันทีเนี่ย รีบทบทวนความเชื่อมั่นแล้วก็ต้องขยันลงมือทำอีกแก้ไขตัวเองใหม่อีกคือจะต้องมีอย่างเนี้ยคุณถึงจะพ้นทุกจากกิเลสตัวนั้นได้แล้วก็ตัวที่สี่คนนี้ตัวที่สี่ก็คือความตั้งมั่นนี่แหละหรือจะเป็นสมาธินีหรือสมาธินะอันนี้คือต้องตั้งมั่นเพราะส่วนใหญ่เนี่ยพอเรา เจออุปสรรคเราเจอปัญหาอาตอมาบอกแล้วโดยเฉพาะกิเลสที่เป็นสักกายะของเราอ่ะกิเลสตัวใหญ่ของเราเนี่ยคุณแพ้อยู่เรื่อ ย, ยแหละอาตมาบอกง่ายๆก็ได้เพราะมันมันไม่ง่ายเลยที่จะจัดการมันครั้งเดียวกิเลสตัวใหญ่มันต้องจัดการบ่อยๆจัดการบ่อยๆแล้วก็บอกแล้วเดี๋ยวก็แพ้บางทีก็ชนะบางทีเดี๋ยวก็แพ้ครั้งใดที่แพ้เนี่ย ถ้าคุณไม่มีความเชื่อมัน่นคุณไม่ขยันที่จะทำบ่อยๆ อ, อีกคุณไม่คอยหมั่นเตือนตัวเองเอาไว้อีกนะมันก็จะทอ้อมันจะท้อแล้วมันจะถอยเพราะนั้นไอ้ความตั้งมั่นเนี่ยคือคุณต้องพยายามเลยเอาใหม่อีกเอาใหม่อีกเนี่ยนะเอาใหม่นี่มันไม่ใช่แค่เรื่องของมาลงมือทำใหม่แต่มันเป็นเรื่องของจิตใจเราด้วยจิตใจเราเนี่ยจะต้อง พยายามเหมือนกับมาอะไรอะ่ะมากําหนดลงไปนะมาเหมือนกับมาอธิษฐานเนี่ะเนี่ยอธิษฐานเนี่ยคือมามาตั้งจิตมากําหนดใจเราอีกเออเดี๋ยวต้องสู้อีกนะเราต้องแบบว่าต้องเอาชนะให้ได้เนี่ยจิตคุณจะต้องตั้งมั่นอย่างเงี้ยให้ได้ถ้าความตั้งมั่นตัวเนี้ยคุณอ่อนที่ที่บอกว่าเหมือนไม้หลักปักขี้เลนเนี่ย ถ้าความตั้งมัน่นนี่คุณอ่อนนะฐานคุณไม่แข็งแรงเดี๋ยวก็ลม้มเพราะนั้นจิตต้องตั้งมั่นให้ได้ครั้งไหนที่คุณทาได้ครั้งนั้นให้สร้างปิติให้สร้างความภูมิใจให้ได้เพราะปิติความภูมิใจเนี่ยจะเป็นตัวทำให้จิตคุณตั้งมัน่นเพราะครั้งไหนที่คุณแพ้ดิเลตัวนั้น ครั้งไหนที่สู้มันไม่ได้มันจะเศร้าใจมันจะหดหู่ใจเห็นไหมซึ่งถ้าคุณเศร้าใจแล้วคุณก็มาคิดทุกข์อยู่นั่นน่ะกุ้มอยู่นั่นน่ะห่วงอยู่นั่นน่ะกังวลอยู่นั่นน่ะความตั้งมั่นคุณจะค่อยๆเอ็ไปเรื่อยๆเอ็ไปเรื่อยๆเอ็ไปเรื่อยมันจะล้มลงในที่สุดแล้วจะลุกไม่ขึ้นเลยเพราะฉนั้นความตั้งมั่นตัวเนี้ย จะต้องอาศัยอิทธิบาทอาศัยความยินดีเข้ามาเลยวัน้นคุณต้องอาศัยปิติอาศัยความยินดีเข้ามาบางทีแม้ว่าเราจะสมมุติว่าไปสู้กับวิรลยตัวที่เราติดอยู่เนี่ยสู้ไปสิบครั้งเนี่ยคุณเกิดแพ้ตั้งโอ้โหแปดครั้งชนะแค่สองครั้งนี่ถ้าถ้าถ้ า, ถ า, ถาอะไรอะ่ะถ้าเทียบอัตราส่วนแล้วเป็นไงถ้าเทียบอัตราส่วนแล้วเป็นยังไง มันน่าน้อยใจจริงเอ่ยใช่ไหมโอ้คุณชนะแค่สองครั้งเองอ่ะคุณแพ้ตั้งแปดครั้งเนี่ยแต่อันนี้แหละนะต้องฉลาดเลยอัตมาบอกแล้วคุณยังต้องศรัทธาเห็นไหมคุณต้องมีความเชื่อมั่นอยู่นะว่าถึงขราวเนี้สู้มาสิบครั้งเนี่ยมันชนะแค่สองครั้งแต่สู้ต่อต่อไปอีกบอกแล้วจะห้าสิบครั้งหรือจะรอยครั้ง เดี๋ยวมันจะต้องชนะได้มากกว่านี้แน่เนี่ยคุณเชื่อมั่นอยู่เนี่ยทั้งความเชื่อมั่นตัวนี้ด้วยที่จะทําให้จิตคุณถึงจะตั้งมั่นขึ้นมาได้แล้วมันไม่ใช่ตั้งมั่นแค่จิตมันจะตั้งมั่นทั้งพฤติกรรมด้วยที่เอ้ยเราต้องขยันอีกนะสิบครั้งเราแพ้ไปแปดเดี๋ยวเอามันอีกเอาให้มันยี่สิครั้งสามสิบครั้งห้าสิบครั้งมันต้องชนะมากกว่านี้ เนี่ยคุณมีความเชื่อมั่นแล้วคุณมีความขยันอย่างเงี้ยปักลงไปแล้วคุณก็มันเตือนมันระ ล, ลึกว่าเอ้าก็เราก็ชนะต้งสองครั้งอะ่ะใช่ไหมมันก็น่าภูมิใจแล้วเราไม่แพ้ทั้งสิบต่างหากอะคือคนคิดเป็นเนี่ยเขาไม่มาคิดเอาเอ่ความทุกข์ความห่วงความกังวลมามาให้เป็นอกุศลและจิตหรอกเอาอาเขาคิดไอ้ที่มันเป็นกุศลสิก็ก่อนที่คุณจะมาปฏิบัติเนี่ย 10ครั้งคุณแพ้หมดทั้งสิบครั้งถูกไหมก็ <c oughs> คุณไม่คิดสู้กับมันเนี่ยคุณก็แพ้หมดอยู่แล้วคุณก็ศูนย์หมดเลยอะ่ะเพราะฉะนั้นคนที่คิดเป็นเนี่ยเขาจะฉลาดคิดเนี่ยข้อห้าจะตามมาเนี่ยเขาจะฉลาดคิดจะรู้จักพิจารณาให้เป็นว่าเอ้าก็เราดีกว่าเดิมนะันที่จริงเราไม่ใช่แย่กว่าเดิมเอ้าก็แต่เดิมเราเนี่ยเราไม่ คิดจะสู้แล้วเราก็ไม่ได้ลงมือสู้อะไรเราก็แพ้หมดเลยทั้งสิบครั้งทั้งร้อยครั้งเราแพ้หมดเลยนี่แต่คราวนี้เราคิดจะสู้ขึ้นมาเนี่ยสมมติสู้ไปสิบครั้งคุณชนะแค่ครั้งเดียวก็เหอะก็ยังดีกว่าเก่าอยู่แล้วใช่ไหม